เที่ยวไปดูนะดวงอาทิตย์ขึ้นนะต้องไปดูที่นั่นดวงอาทิตย์ตกต้องไปดูที่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยเดือดร้อนขนาดไหนไปบางทีอาจจะไม่ได้ดูหรอกอย่างเนี้ยอาจจะเสียหายในระหว่างก่อนถึงที่จะได้ดูจริงๆด้วยซ้ําไปเพื่อให้จกักขูวิ ญ, ญญาณเกิดเพื่อให้ผัสสะและเวทนาแล้วก็บอกว่าั้นแล้วจัดเก็บไว้ในความทรงจำํำ <c oughs> เอากันขนาดนั้นเลยนะออกมาฟังเมื่อไหร่คํามากเลยแล้วเก็บไว้ในความทรงจําก็ว่างั้นยังกะว่ามันเป็นเกษมใ น, นมิตรอย่างไร ที่จะจำอะไรไว้นะนี่มิตรแห่งราคะนี่มิตรแห่งโทสะนี่มิตรแห่งโมหะแล้วตั้งใจไว้ด้วยนะจะเก็บไว้ในความทรงจำโอ้โหดีนะถ้าันี่เป็นอารมณ์ก่อนตายอะไรจะเกิดขึ้นเนะ่ยอาจารย์ชินขอถามอีกเรื่องหนึ่งก็คื อ, อลมหายใจลมหายใจเราเราพิจารณา ย, ยัางไงว่าคือ ที่เจอในหมวดของเอ่ออาหารในปฏิกูลเหรื อ, อคืออยู่ในภายใต้ของอาหารในปฏิกูลหรือเปล่าคะอะไรลมหายใจลมล ม, ลมก็นเนื่องด้วยอาหารเหมือนกันนะแม้กระทั่งถามว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อการหายใจหรือไม่เห็นไหมเพราะอาหารบางอย่างเข้าไปแล้วนะมันมันมันอึนอดอัดนะการหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกเป็นต้นเนี่ย อ, อาหารบางอย่างที่ ท, ที่เราสมมุติถ้าเราแพ้อาหารบางอย่างเลยนะ ก, ก็ลำบากแล้วก็อึดอัด น, นั้นถามว่าอาหารมีผลต่อการหายใจไหมคือการหายใจเนี่ยไอตัวหายใจจริงๆมันเป็นจิตตชรูปทีนี้จิตตชรูปเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอาหารชรูปมามาหล่อเลี้ยงเนี่ยอาหารชรูปนี่มาหล่อเลี้ยงตัวจิตตชรูปอาหารที่ที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะมันไปอุปถัมภ์ร่างกายทั้งสี่สมุทฐานทั้งกรร ม, มสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตตสมุทฐานและอาหารสมุทฐานเอง เพราะฉะนั้นถ้าคนอย่างอาบริโภคอาหารบางครั้งเนี่ยนะจิตก็ไม่ไม่ค่อยสงบเนี่ยนะอาหารบางอย่างเนี่ยกิเลส ก, ก็กลุ่มรุมอาหารบางอย่างใกล้ต่อโทสะอาหารบางอย่างใกล้ต่อราคะเป็นต้นเนี่ยนะนั้นก็อาหารก็มีผลต่อการหายใจด้วยเหมือนกันก็เนี่ยอย่างวัตถุอภินญญยนิเทศเป็นต้นเนี่ยนะการสาธยายไว้ตามนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดซึ่งจําก็ไม่ได้ยากอะไร เนี่ยนะถ้าถ้าไม่เอาถึงขนาดว่าเป็นโลกนิโรถสูตรเนี่ยนะก็เอาง่ายๆไว้ก่อนเนี่ยจกักระคควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจกักระวิญญาณควรรู้ยิ่งจกักระสัมผัสควรรู้ยิ่งแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากักระสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งถ้าทําปริญญาจริงในส่วนนี้นะอุยตามอย่างอื่นมาอีกบานเนี่ยเอาให้ตรงนี้ชำนานก่อน นะไม่ต้องเบื่อการท่องไม่ต้องเบื่อการสาธยายแล้วแต่ว่าสาธยายในชีวิตที่เป็นจริงไม่ใช่คิดถึงคําะนะเช่นอนนนี้เราก็ลืมตาเห็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นดอกไม้ก็เขก็นองนึกพัสูตตามดูก็สาธยายไปถ้าทวารใจอ่ะนะลองนึกถึงว่าเรานึกถึงอะไรสักอย่างลองสาธยายสูตรดูเช่นเรานึกถึงความสุขของคนอื่นนะอาศัยมโนกับความสุขคือธรรมะรมานั้นเกิดความคิดขึ้นมโนวิญญาณ อันนี้เรียกถ้าเราได้ภาษาในเรื่องนั้นนะเพราะภาษานั้นเป็นปัจจัยจือเกิดเวทนาถ้าเรานึกถึงคนดีใจเราก็เกิดสุขถ้านึกถึงคนเสียใจเราก็เกิดความทุกข์ท่านึกถึงคนที่เฉยๆเราก็เฉยๆไปด้วยก็เริ่มมาฝึกคิดแบบธรรมดาเนี่ยในทุกทวารและทุกอารมณ์พิจารณาภายในก็เอาคนอื่นเขาเห็นมันก็สูตรเดียวกันนั่นแหละก็คือแบบฟอร์มของชีวิตนะการเห็นมันไม่ค่อยต่างกันหรอกถ้ามันต่างกันมาก ในโลกนี้เขาก็ทําแว่นไม่ได้เขารักษาหูไม่ได้ถ้าทุกคนแต่ละคนมันต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันโดยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทุกเรื่องนะวิชาการในโลกนี้เกิดไม่ได้แต่ที่มันเกิดได้ก็เพราะมันแบบฟอร์มมันคล้ายๆกันทางทวารตาทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจทีนี้การพิจารณาปัจจัยเนี่ยนะยังไงมันก็ต้องสาวไปตามแนวโลกา น, นิโรท่าสุด อย่างที 2, ่เรียกว่าถ้าเราสร้างตาข้างหน้าต่อไปเนี่ยสร้างยังไงเราสร้างหูต่อไปเนี่ยสร้างยังไงสร้างจมูกต่อไปสร้างยังไงสร้างลิ้นต่อไปสร้างยังไงสร้างกายต่อไปสร้างยังไงแม้กระทั่งสร้างใจนะเช่นอาศัยมโนกธรรมะเกิดมโนวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นพัสสะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมี เพราะเป็นปัจจัยจึงมีใจเพราะฉะนั้นใจตัวนี้เนี่ยใจข้างหน้าปฏิสนธิต่อไปข้างหน้าเนื่องจากอาศัยกระบวนการธรรมะเนี่ยที่มันประชุมเป็นเหตุได้เกิดใจตัวนั้นใจตัวนี้ก็แสดงว่ามาจากอดีตก็ไม่ต่างกันแม้ในอดีตใจก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งมาอย่างนี้อนาคตต่อไปวิธีสร้างใจก็สร้างอย่างนี้แหละถ้าจะดับใจแหละ ก็อนุปัสนาตามเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในมโนในธรรมรมในมโนวิญญาณในพัสสะและเวทนาอริยสาวกเมื่อทำปริญญาอย่างนี้ก็ตัดสันตราคาในมโนในธรรมรมในมโนวิญญาณในพัสสะและเวทนาเพราะสิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาก็สิ้นอุปาทานถ้าสิ้นอุปาทานก็ถือว่าเป็นอันสิ้นกรรมถ้าเป็นอันสิ้นกรรมก็ไม่สร้างใจเนี่นะ การปฏิบัติเพื่อดับฉันนราคะมันก็เป็นไปตามนั้นถ้าไม่ไม่มนานสิกานไข้ครวนให้รอบจริงๆเนี่ยนะมันไม่มีใครหยุดอยู่แค่บางอย่างแล้วพอเนี่ยนะเพราะว่า ท, ที่เรียกว่าอารมณ์แห่งกิเลสนะมันปล่อยให้กิเลสเนี่ยโบยบินไปไกลมากเลยนะทีอารมณ์ของปัญญานี้หยุดไว้แคบๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยผู้ที่มีปัญญาวัยเนี่ยคือผู้ที่สามารถพิจารณาอารมณ์ ขันท่าอายตนะเนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเพนั้นผู้ที่มีชวนะปัญญามีปัญญาวัยเขาวิเคราะห์ทั้งสิบเอ็ดอย่างเขาไม่ใช่เอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งโยมคนหนึ่งก็ถามว่าพิจารณาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพอไหมถ้าผมมาก็ถามว่าคุณคิดว่าพอไหมที่คุณจะเบื่อหนายถ้ารู้อยู่เท่านั้น คุณจะคิดอย่างเดียวเช่นจะยกแต่ปัจจุบันอย่างเดียวฉันจะไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตฉันจะคิดแต่เรื่องปัจจุบันอย่างเดียวถามว่าคิด ค, คุณออกจากวัตะได้หรือถ้าคุณหยุดอยู่แค่เห็นปัจจุบันเนี่ยอ่นะหรือคุณจเจริญไปทำไมถ้าวัตถุประสงค์ต้องการแทงตลอดอริยสัตว์ท้นจากวัตฏะมันก็ต้องพิจารณาโดยโรอบทีนี้ทาไมจึงอยากบรรลุอริยสัต์ลนะ่ะบรรลุอริยสัต์ดียังไง แล้วมันรู้อริยสัจแ ก, ก้ปัญหาในระดับไหนซึ่งตรงนี้แหละทําความเข้าใจเนี่ยสําคัญที่สุดพระพุทธศาสนาเนี่ยนะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยการฟังเป็นหลักฟังจนเข้าใจจริงๆว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าพระพุทธเจ้าถามว่าหกปีนั่นท่านทําอะไรท่านคิดเรื่องนี้อยู่หกปีก่อนเป็นพระพุทธเจ้านะท่านคิดอยู่หกปีหกปีไม่ทําอย่างอื่นเลยบางทีแทบไม่กินเลย เพื่อจะได้คิดเรื่องนี้ให้มันมากให้มันยาวให้มันกว้างขวางพิสดาร ล, ลึกซึ่งเนี่ยนะหกปีเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ทําอะไรเลยนะท่านไปนั่งบิดตัวเองหรือไปนั่งอดอาหารแกล้ง อ, อยู่นั่นแหละแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยนะนึกว่านั่งเฉยๆแบบคนอะไรนะอดอาหารรอผ่าตัดไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเลยท่านคขอควรอย่างมากะนะก็ก็ไปอ่านดูหนังสือเล่มพุทธคยาที่รวบรวมให้ดูว่าท่านคิดอะไรขนาดไหน ท่านบอกว่าตลอดระยะเวลาหกปีเนี่ยมหากุศลของพระองค์ที่ตึกธรรมะเนี่ยนะไหลไปดุดกระแสน้ำเป็นเรื่องของคนที่เขาเขาไขค ร, รวนเขาพิจารณาอย่างเยบคายแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเหมือนพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าไม่งั้นไม่เพียงพอต่อความพ้นทุกข์อย่างจริงแต่อย่าลืมว่าธรรมะเหล่านี้ก็ถ้าง่ายจริงท่ารหารเกินเมืองเนี่ยนะ ไม่มีใครไปอบายหรอกถ้าเจริญไม่สู้ยากนักนะเ น, นะก็ว่าจริงๆเพราะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าธรรมะของพระองค์นั้นลึกซึง้งนะไม่ใช่วิสัยของผู้ไม่มีปัญญาไม่ใช่วิสัยของผู้ติดข้องในวัตถุเลยไม่ใช่วิสัยของผู้ที่เพลิดเพลินในวัตตะเลยพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าคำสอนของพระองค์เป็นเช่นนั้นบางพระอย่างเหมือนเวเหมือนที่ว่าทงน้อมไปเพื่อจะไม่สอน่นะจนจนจะเรียกว่าพรหมราธนา นะเพราะให้ให้หมู่สัว์เนี่ยเคารพว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นของยากเป็นของลึกซึ้งอย่างแท้จริงวั้นสมัยก่อนเขาถือการศึกษาพระธรรมเป็นสาระเขาเป็นสาระเลยนะพระราชาบางองค์พอได้ฟังธรรมปั๊บเนี่ยนะบ้านเมืองไม่ใช่สาระทันทีไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการสละบุกสละวังออกบวชเลยถามว่ามีมีน้อยไหมถ้าจำไม่ผิดนะพระราชาหลายหมื่นองค์สละบ้านเมืองบวช คือคำว่าพระราชานีสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเป็นมันเป็นเป็นกลุ่มประเทศอิสระนะเป็นประเทศอิสระอย่างเจ้าเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าเทียบโบราณเรียกพระราชาเนี่ยนะเขาถือว่าผู้ว่าทั้งหลายเนี่ยนะผู้ว่าทั้งหลายนี่แหละคือพระราชาโบราณสมัยนี <taraf>. ้เขาก็ยังมาเรียกในนามว่าเจ้าเมืองใช่ไหมเจ้าเมืองก็คือเป็นกษระสับที่ปกครองเมืองนั้นๆทั้นกลุ่มกลุ่มผู้ว่าเนี่ยออกบวชหลายหมื่นองค์เนี่ยนะก็อินเดียเนี่ยมันเล็กเท่าที่ไหนล่ะ นี่นะทนก็กลุ่มผู้ว่ากลุ่มนายอำเภอกลุ่มเนี้ยกลุ่มพวกที่สาปาโมกก็คือพวกอาจารย์มหาเลยนลั่นแหละมหาเลยโบราณน่ะนะพวกกลุ่มนั้นเนี่ยพวกนิสิต ท, ที่ออกบวชเนี่ยอู้มากมากจริงๆเขาสละถามว่ากลุ่มนั้นคือกลุม่มอะไรอินเดียก็อย่างที่ว่านะผู้ชายก็มีเมียไม่ต่ำกว่าสองคนอยู่แล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนสองคนบ้างสิบคนบ้างก็ว่าไปท่านเหล่านั้นไม่ออกบวชจนเรียกว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่ง น, นะเคาเรียกว่าพระมหาการกับพระจุลการ์นะ ถ้ามหาการออกบวชเจริญกรรมฐานจนได้เป็นพระอรหันต์ถ้าจุลการก็ออกบวชเพราะคิดถึงพี่ชายตอนหลังภริยาก็เลยจับศึกเพราะมีเมียอยู่หลายคนยนะเนีเมียเลยจับศึกทีนี้ก็เมียพี่ชายก็จะจับพี่ชายศึกบ้างก็เลยมีเมียสี่คนเมียก็วางแผนถ้าอรหันต์รูปนี้นนก็เลยเหาะหนีไปเงนะเพราะถ้าถ้าไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรจริงๆเลยนะอย่า ง, างา ح, พระสังขารมชีใช่ไหมภริยาเนียอุ้มลูกไปวางต่อหน้าเลยอะ่ะ บอกว่านี้สมณะลูกท่านท่านจงเลี้ยงดูลูกและเลี้ยงดูข้าพเจ้าท่านก็นั่งเฉยอย่างนั้นไหมถ้าไม่มีความรู้อะไรจริงๆเนี่ยตัด ก, กิเลสไม่ได้หรอกอนันเองเพราะนั้นการเจริญกรรมฐานการปฏิบัติธรรมนั้น่ะจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยไม่ใช่ว่ากําหนดนั่นรู้นี่นีน่นี่หน่อยๆก็เพียงพอแล้วที่จะพ้นทุกข์ไม่พอจริงๆเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะว่าเออแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้ว ท่านสารณคกขมนี่ให้แน่นแ่นเอาไว้เถอะเจริญอะไรไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้เถอะวิปัสสนาเจริญไม่ได้จริงๆนะไปไหว้พระเจดีดีที่สุดนะเนี่อยนะไปไหว้พระเจดีบ้างไปสวดมนต์อรารหังอิติปิโสแปลเอาไว้เถอะเพราะนั่นถือว่าถูกทางที่สุดแล้วเพราะลับที่สุดง่ายที่สุดเนี่ยนะทางไปนิพพานลับที่สุดง่ายที่สุดมรแปดนะยังไงก็ต้ององคแปดนะถ้าไม่ครอบองแปดบรรลุไม่ได้เห็นไหม ถ้าไม่ครบองค์แปดบรรลุไม่ได้จริงๆแม้แต่ผู้ที่ละวิตกออกไปนั่นต้องได้ทุติยชามไปแล้วนะนะจึงจะต้องไม่จําเป็นต้องมีวิตกแต่ถ้ายังไม่ไม่ขนาดนั้นนะโอ้ยเป็นเรื่องเรื่องใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใจพิดกจึงมีมากเหลือเกินถามว่าสูตรใดสูตรหนึ่งก็พอใช่ไหมพอไหมลนะ่ะเขาก็เคยมีอ่นะอย่างที่หลายท่านก็กล่าวว่ามีแพทย์หลายคนเภสัชหลายคนพยายามจะปรุงยาแคปสูตรเดียวเนี่ย ให้มารักษาสารพัดโรคอันนถามว่าทําได้ไหมประสบความสําเร็จไหมทําไปทํามาเนะี่ยยามากกว่าเดิมนนยามากกว่าเดิมนะในยุคนี้นยะไม่รู้คุณไปทูนจําชื่อยาได้ยังไงนั้นเต็มตู้ไปหมดเลยนะอันนี้ยานี่เยอะจริงๆดีนะถ้ามีทุกประเภททุกชนิดด้วยมันจะมากขนาดไหนอ่นนะี้นี่ก็เหมือนกันถ้าทำที่จะนําออกจากคนทุกรักษาโรคคือบาปโรคคืออกุศลเนี่ยนะ ไม่ใช่ง่ายๆหรอกต้องศึกษา ม, มากจริงๆจนกว่าจะตัดตันหาในอารมณ์ทั้งหลายคิดแค่ไหนจึงจะตัดตันหาได้เขาบอกว่าผู้ที่จเจริญวิปัสสนาระดับสูงเขาคิดเลยว่ามณสิการสังขารใดเนี่ยนะงอกกลับหมดเลยจิตงอกลับหมดเลยคิดถึงสวรรค์ปั๊บจิตม้วนกลับหมดเลยอ่ะทัานเป็นกันขนาดนั้นนะถ้าคนที่จเจริญวิปัสสนาอย่างบริบูรณ์มองเห็นอย่างสมมุติในอย่างพระ พระรธบานพระธบานเนี่ยเดี๋ยวไปที่เมืองกุรุกุรุเออขอไปเออกุ ร, ร, รุใช่แล้วเด mm. ลีนะเรไปบ้านไปแถวแถวกุรุเนี่ยบ้านพระรธบานอยู่ที่นั่นพระธบานเนี่ยหลังจากท่านออกบวชสิบสองปีบรรลุเป็นพระรหารพอบรรลุเป็นพระรหารท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปเยี่ยมแม่พระพุทธเจ้าก็ตรวจ ด, ดูอ้าวเป็นพระรหารแล้วยังไงก็ไม่ศึก เสรแล้วท่านก็ไปพ่อแม่ของท่านเนี่ยเป็นคนที่รวยเกือบที่สุดที่นั่นนะนะเว้นพระราชาเนี่ยรวยมากเลยรวยขนาดว่ากองเงินเนี่ยต้องเรียกว่ากองแบบอยู่ทางนี้มองไม่เห็นทางโน้นทางโน้นอยู่ทางโน้นก็ไม่เห็นทางนี้เนี่ยนะกองเงินกองทองทรัพย์สินเขามีมากขนาดนั้นแล้วก็ชวนให้ท่านศึกก็บอกว่าโยมอันะถ้ท่าท่านนี่จะให้ทําตามอัตมาไหมทํำยังไงอ่ะท่านจะขนใส่เกวียนแล้วไปโยนลงแม่น้ําให้หมดเลย พรท่านไม่ต้องเสียใจกับสิ่งนี้อีกต่อไปเนีนะท่านแนะนําอย่างนั้นนะเนีมองเห็นแก้วแหวนเงินทองเป็นของร้อนได้อะ่ะมองเห็นโสกกาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตที่พอมองเห็นเงินปั๊บรู้เลยเนะี่ยโสกกาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตไหลมาจากที่นี่ท่านเห็นขนาดนั้นถ้าท่านมองแค่เนี่ยกําหนดเงินทองเห็นเงินเห็นทองสีไม่พอร้องทนทุกข์นะเนี่ย ไม่พอร้องที่จะเลือกร้องให้ร้องเสียอันนี้มันปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาดูว่าจะโทรมนัดปานใดเนี่ยนะถ้าไม่ฉลาดเพียงพอจริงๆล้างกิเลสไม่ได้จริงๆเหนไะหมาดูต่อไปเนะี่ยว่าการเห็นวัฏะโดยความเป็นภัยถ้าเห็นความไม่มีวัฏะนี้ปลอดภัยใช่ไหมถ้าไม่มีวัฏะเนี่ยจะปลอดภัยสักปานใดใครที่ถามว่าในทวารหกนะใครเดือดร้อนทวารไหนที่สุดแต่ละคนเนี่ยนะ ผู้ ก, การทวารไหนเดือดร้อนที่สุดอ่านะผู้ ก, การบอกทวารตาถ้าไม่เห็นอย่างเดียวไม่เดือดร้อนเลยอ่านะบางคนนะบางคนเขาเดือดร้อนเพราะทวารตาจริงๆถ้าเขาไม่เห็นสักอย่างเดียวเขาจะไม่เดือดร้อนเ่ยมันจะเสียหายสักเท่าไหร่กะช่างเถอะถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่เดือดร้อนน้ําท่วมผู้การถ้าไม่เห็นนะผู้การไม่เดือดร้อนเลยแต่แต่อย่าให้จากครูวิ ญ, ญญาณเกิดเดือดรบอน จากครูวิญญาณเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ในเรื่องแล้วนะไปวันละหลายรอบเลย <c oughs> ครับอั น, นแสดงว่าจากักทวานตานี่ร้อนมากเลยนะ <c oughs> บางคนเนี่ยทวานหูถ้าไม่ได้ยินสะอย่างเดียวนะคิะว่า <c oughs> ถ้าไม่เห็นไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินสะอย่างเดียวเนี่ยโอ้ชีวิตนี่ก็แค่นี้ก็มีความสุขไปตั้งเยอะเนี่ยนะ ก็แล้วแต่นะบางคนก็ทวานกายบ้างใครที่ป่วยบ่อยๆนะทวานกายเนี่ยทุกข์มากสุขภาพไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เมื่อเนี้ยทวานเดือดร้อนเพราะทะวานกายก็บางคนก็เดือดร้อนเพราะทวานใจแต่พระพุทธเจ้าบอกวา่าทุกทวานมันร้อนหมดเลยนะเนี่ยทุกทวานนี่มันเดือดร้อนหมดเลยไม่มีทวานไหนที่ไม่เดือดร้อนเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของใครทวานไหนร้อนกว่ากันเท่านั้นเองแต่ทุกทวานเนี่ย บางคนเนี่ยอย่างที่ทิพย์ภการพูดถึงว่าทวารตาเดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือร้อนเพราะโทสะนะแต่ทวารที่ร้อนเพราะราคาะแหละแล้วทวารไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือโมหะบ้างทวารไหนมั่งที่เรามองเห็นอริยสัตว์ยังไงนะท่านจะรู้เลยว่าทุกทวารเนี่ยถือว่าเป็นของร้อนก็อุปาทานเนี่ยความเกิดขึ้นของทวารเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยมากเลยเนะถ้าทวารเหล่านี้ดับหมดก็ปลอดภัย ความเป็นไปของทวารเหล่านี้ทั้งหมดเป็นภัยไหมถ้าดับทวารเหล่านี้ทั้งหมดปลอดภัยเครื่องไม้คือทวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นภัยถ้าไม่มีเครื่องไม้คือทวารเหล่านี้ทั้งหมดก็ปลอดภัยมันมัเอ๊ะมันน้อยคนนักนะที่จะกล้าคิดนะบางคนแม้แต่ความตายยังไม่กล้าคิดว่าตัวเองตายเลยนะไม่กล้าที่จะคิดเลยว่าตัวเองตายอ่ะ ทำไมแล้เขาหลอกตัวเองเนี่ยนะกลัวมากมเลยนะบางคนเนี่ยไม่อยากได้ยินเลยนะคําเนี้ยกลัวจริงๆเลยนะซึ่งเขากลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ใกล้เท่านั้นนะเพราะคนที่ไม่คนที่ไม่กลัวตายคนที่กลัวตายไม่อยากได้ยินเรื่องการตายนะคนพวกนี้โดยมากเมาในชีวิตแล้วก็ทําชั่วที่เป็นเหตุใกล้แห่งความตายทั้งนั้นเลยก็แต่จริงๆเขาก็คิดว่าเขาไม่ตายเขาจะอยู่อีกนาน แล้วก็วัตะก็เป็นอย่างนี้เลยวัตตะนี้ชอบคําหนึ่งบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงจริงๆมันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดสับภกิเลศเนี่ยนะก็มาคิดดูนะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ต้องปลอดภัยแน่นอนอ อ, อุปาธาเป็นต้นนี่นะมองเห็นในอมิตรเนี่ยชัดเจนในข้อยี่สิบสี่ที่บอกว่าความเกิดขึ้นในวัตตะเป็นต้นนี่มีอมิตร มีอมิตรท่านบอกว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่ง น, นั้นชื่อว่าเป็นไถ่สิ่งใดเป็นไถยสิ่งนั้นชื่อว่ามีอะมิตรอะมิตรก็คือเป็นเครื่องร่อเป็นเหยื응่ออันนั้นก็มีเหยื่อหน่อยใช่ไหมก็อย่างที่ว่าเคยเห็นเนี่ยไหกบบางตัวนะอย่างหน้าเนี่ยกบบางตัวถ้ามันไม่เห็นไก่เหยื่อมันจะไม่ถูกเบ็ดเกี่ยวเลยปลาหลายตัวถ้าไม่เห็นไก่เหยื่อไม่เห็นไก่เครื่องล่อนะ จำนนที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากหมายว่าปลาเขาตกเบ็ดนะเขาใช้ใช้เขาจะตกปลาหมอนี่ตกได้มากกับเพื่อนไ้ยเพราะปลาหมอมันเห็นไก่กินอยังไงไม่ทราบเวลาเขาตกเบ็ดนะเขาจะตกเอาแต่ปลาหมอส่วนใหญ่มันจะได้ปลาหมอเพราะมันเห็นไก่กินนั่นเลยมันเห็นไก่เหยื่อมันเห็นแก่อะไรเนี่ยเขาปลาหมอทายเพราะปากเขาเห็นไก่เหยื่อเล็กๆเล่น้อยที่ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังนั้นมันมีเด็ดเกี่ยวเหยื่อวัตถุที่น่าปรารถนาในโลกนี่นะตัดทั้งหลายไม่เห็นหรอกว่าชาติชรามรณะ โสภาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายะอาศัยสิ่งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นทุกอยู่ในเบื้องหลังมันแฝงไปด้วยทุกเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเครื่องล่อให้สัตว์นี้จมอยู่กับทุกขเพราะว่าถุกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความเนื่นช้าเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเนื่นช้าจริงๆแต่อย่าลืมว่ามันการที่จะปลดเปลื้องจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเห็นภัยในความเกิดขึ้นเห็นทุกในความเกิดขึ้น น้อยนักที่จะคิดว่านี่คือเหยื่อนี่คือเหยื่อแห่งวตตะแทบไม่กล้าคิดเลยเนะนี่คือมูลแห่งวตตะนี่คือเหยื่อแห่งวตตะนี่คือเหยื่อแห่งความทุกข์นี่คือเหยื่ออันนี้หรือพูดอีกในหนึ่งนะนี่คือประตูนรกเคยเห็นวัตถุที่น่ายินดีไหมแล้วคิดนี่คือประตูบายนี่คือประตูบายเพราะเราจะทําบาปเพราะวัตถุที่น่ายินดี เราจะไม่ทํำบาปในวัตเพราะเหตุสั้งสิ่งที่น่าชังหรอกนะแต่เราทําบาปทำมากุศลเพราะวัตถุที่น่ายินดีฮันวัตถุที่น่ายินดีเนี่ยจะกล่าวไปแล้วก็คือประตูบายดีๆนี่แหละไม่ใช่อะไรเพราะองค์ตว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราเห็นคนที่ถูกความถูกล่าบครอบงำล่าก็คือเหยื่อนะถ้าเราเห็นคนที่ถูกความถูกล่าบครอบงามตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบัติหมายาว่าตายแล้วไปสู่อบาย เราเห็นถูกผู้ที่เสื่อมลาภครอบงามตายแล้วก็ไปสู่อบายเราเห็นผู้ทั้งถูกลาภครอบงามความเสื่อมลาภครอบงามตายแล้วก็ไปสู่อบายเพราะพวกเหล่านี้มันเป็นเหยื่อที่จะทําให้เกิดในอบายอย่างร่างกายแม้กระทั่งชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเหยื่อที่ให้นําไปสู่อบายจริงๆเพราะเรามีตาเราไปเห็นเลยทําบาปเพราะมีหูได้ยินเลยไปทําบาปเพราะมีจมูกเป็นเหยื่อให้เนี่ยนะก็เลยล่อไปทําบาป ก็มีลิ้นมีรถมีกายเนี่ยเป็นเหยื่อล่อให้ไปทําอกุศลโดยรตรการทั้งปวงฉะนั้นพวกนี้พระ อ, องค์ตรัสว่าเป็นเหยื่อแห่งวัตะเป็นเครื่องล่อเป็นอมิตรเนี่ยนะฉะนั้นความเป็นตายก็เป็นอมิตรเป็นเครื่องล่อของพยามัจจุราชเหมือนอย่างสมมติว่าบางแห่งเนี่ยนะไปแล้วก็ตายใช่ไหมแต่คนเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองตายตายจริงๆเนี่ยจะไม่ไปแต่เนื่องจากมีเครื่องล่ออยู่ณนะที่นั้นมองเห็นแต่เครื่องล่อ เลยมองไม่เห็นพยายามมัจจุราชที่อยู่ใกล้ๆเลยมองไม่เห็นว่ากาลังตกบวก่วงเขาบอกว่าหลายคนที่เสียหายนะอย่างหลายคนเนี่ยเสียเงินไปหลายสิบล้านเนี่ยเพราะเห็นแก่มากเพราะเห็นแก่เหยื่อที่ที่วางเอาไว้นะที่โยมเล่ามันก่อนโยมเล่าให้ฟังว่าเพราะเห็นแก่รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นใช่ไหมก็ลงทุนไปเท่าไหร่นะหมดไปสามสิบล้านอย่าง้ยะ เนี่ยพราะเห็นแก่ว่ามันไม่มีอะไรเพราะมองเห็นแต่ส่วนได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นหายอันตรธานก็ไปเลยหายไปจริงๆเลยนะมันไม่ได้ไม่ใช่หายจริงไม่ใช่หายเล่นๆนะตอนหาค่อยๆทยอยหามาทีละอย่างทีละอย่างทีละนิดตะเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเลยตอนหมดอนะ่ะอันตรธานทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะทั้นสัตว์ทั้งหลายที่ที่ถูกหลอกส่วนใหญ่แล้วหมดตัวเลยนะหมดสตางค์หมดเงินหมดทองเนี่ยเพราะเห็นแก่เห็นแกอ่อภินิษฐ แต่เชื่อไหมว่าทุกอย่างในโลกนี้คืออา mith ของวัตันะเนี่ยนเครื่องล่อที่ทำให้เฝ้าวตัะอยู่ น, นานๆอย่าไปเลยเนีย่ยนะจมอยู่ในทุกนี่แหละมันเป็นเหยื่อที่ล่อให้ให้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเฝ้าอยู่ในวตตะทำให้เราคิดดูนะว่ามันเครื่องล่อเราไม่ค่อยคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่แล้วเช่นเห็นสีนะความดับสีงไงเราไม่ค่อยคิดรูป รูปนิโรธเขาไมได้ยินเสียงสัทธนิโรธสัทธาศัทธนิโรธก็ไม่เคยคิดมันล่อให้เราอยู่ได้ขนาดนานขนาดนั้ น, นเนี่ยคันทะคันทะนิโรธตรงอันข้ามก็ไม่เอามาคิดราศาัราศรัศรานิโรธก็ไม่เอามาคิดโพธิภพโพธิภพนิโรธก็ไม่เอามาคิดธรรมธรรมนิโรธก็ไม่เอามาคิดเนี่ยทาให้เห็นว่าหมูสัตว์เนี่ยมีเครื่องล่อจริงๆเลยเนะถูกลอ่อซะจนน่วมหมดเลย